บางท่านก็คงจะไม่เคยมาวัดหลวงพ่อแต่พอมาเห็นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากิจกรรมวันพระอย่างนี้มีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าก็มีการตักบาตรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอจากนั้นก่อนที่จะฉันอาหารหลวงพ่อก็ได้กล่าวสัมมบทนิยกถา ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังมาทําบุญทําทานตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมของพวกเราเพราะนั้นมาถึงตอนเช้าหลวงพ่อก็ได้พูดแนวความคิดให้แก่พระคนรุ่นใหม่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างน้อยก็ให้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นคติในหลักของพระพุทธศาสนา จุดหมายด้วยจุดที่พระพุทธเจ้าแนะนำหรือชี้นำให้แก่พุทธร บ, บริษัทสี่ของพระองค์ให้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจอย่างไรจุดมุ่งหมายอันสูงสุดคืออะไรก็ได้ชี้นำเป็นบางประเด็นคงอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนจึงจะเข้าใจได้ดี เพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเลยมาตอนเช้าก็ตักบาตรเสร็จแล้วก็ทาบุญพระให้พรแล้วก็กลับไปก็ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ยินได้ฟังพระที่ท่านให้แนวความคิดเพราะนั้นหลวงพ่อเองจริงได้แนะนำได้กล่าวสัมโมทนิยกถาอย่างมือเช้าว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นมาอย่างไรศีลธรรม สินห้ามีคุณค่าอย่างไรจากนั้นก็ได้กล่าวถึงบิดามันดาพกบุตรธิดาควรปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยวันที่สิบสามเมษาแล้วก็เป็นวันจบ ก, ปกเป็นวันพระใหญ่ด้วยเป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนห้าเป็นวัน เดือนดับเป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันที่13เมษายนวันนี้นะแล้วก็ตอนเช้าก็ได้ทำกิจกรรมแต่ตอนสายขึ้นมาก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้พูดสนทนาปารบถามไทยตกตอนเย็นวันนี้ก็บ่ายห้าโมงเย็นพระสงฆ์ทั้งหมดที่ ลงอุโบสถวันนี้ก็ยี่สิบเก้ารูปนะพระสงฆ์ยี่บ้าองค์ที่นั่งอยู่สลาขณะนี้ฉะนั้นเราพวกเราก็ได้ลงอุโบสถตามหลักพระธรรมวินยัยแกจบไปแล้วก็ขณะนี้ก็ได้ลงมาอีกเพื่อเป็นการทำวัดไหว้พระสวดมนตทุกวันพระที่วัดของเราไม่ว่าแรงไม่ว่าฝน วันแปดค่ำสิบห้าค่าจะมีการไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้แหละเมื่อไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้ากลมบางทีหลวงพ่อก็พูดธรรมะให้เป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอีกในแนวทางหนึ่งบางทีก็พูดเรื่องศีลเรื่องทานบางทีก็พูดเรื่องสมาธิบางทีก็พูดเรื่องการเดินมัก คือวิปัสสนาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแต่บางครั้งตะกอนหน้านี้หลวงพ่อก็ได้เปิดเทปแล้วเอ MP พสให้แก่สัตยาญาติโยมฟังเอาธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางทีก่อนหลวงตาเนี่ยเป็นหลักหลวงตามหาบัวเป็นหลักจากนั้นก่อนหลวงปู่ละครูบาอาจารย์หลายหลายองค์ เพื่อพวกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพอต่อมาเรามีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน1้7 2 5อเมกะเฮิร์อย่างที่พวกเราขึ้นปนะ้ายเนี่ยคืออันนี้คือสถานีวิทยุในวัดของเราอยู่ที่ทางหลังวัดเดี๋ยวนี้ก็เปิดตลอดอ่เป็นธรรมเทศนาของหลวงตานะตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้า หลวงตาจะเทศธรรมเทศนาอบรมพระล้วนๆถ้าพวกเราอยากจะฟังธรรมเทศนากลางคืนก็เปิดได้เลยร้อยเจ็ดจเมกะเฮิรตต์นี่เสียงดังฟังชัดเราจะฟังธรรมเทศนาของหลวงตาจะฟังตอนไหนก็ได้เพราะเขาเปิดทั้งคืนนี่หลวงพ่อก็ไม่ได้นําธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์มาเปิดเพราะว่าถึงยังไงก็ เราจะจะฟังเวลาไหนก็ได้ฟังเวลานั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้พูดได้กล่าวในแนวความเห็นเพราะพระเนนและสัทธายาจโจิโยมที่เขามาเกี่ยวข้องก็คงอยากจะฟังแนวความคิดของหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าวัดว่าหลวงพ่อจะให้แนวความคิดอย่างไรเหตุผลอย่างไรรับ ก, การประพฤติปฏิบัติอย่างไรพวกเรา มีความคล่องใจเมื่อภายหลังพวกเราก็จะได้ถามได้ว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้มีความหมายหรือตีความหมายแล้วว่ามีประโยชน์หรือว่าเป็นลักยังไงถ้าเราสงสัยเราก็ได้จะได้ถามถ่ายได้ตอนก่อนลงอุโบสถเสร็จหลวงพ่อก็ได้ชีน้นําให้หมู่พระสงฆ์ให้ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของวินัยศินสองรี่สิบของพระ เพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธองค์พระสงฆ์ยึดถือปฏิบัติกันมาเมื่อลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระที่เป็นหัวหน้าก็จะแนะนำเรื่องพระพินัยให้แก่พระสงฆ์ที่บวชใหม่หรือว่าบวชตามกันมาเรื่อยๆเหมือนกับพี่ใหญ่ก็ต้องแนะนำพวกน้องๆหรุดน้องๆ ให้เข้าใจเรื่องศีลและวินยัยควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยในเมื่อลวงพ่อมาอยู่องค์ต่อไปก็แนะนำไปผลที่สุดผู้สุดท้องสุดท้ายภายหลังเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเพราะทดแทนกันไปเรื่อยๆก็แนะนำสั่งสอนสืบทอดกันไปเรื่อยๆนี่แหละคือพระวินยัยควรปฏิบัติตนอย่างไร หลวงพ่อก็ได้พูดให้แนะนําพระสงฆ์เกี่ยวกับทุกครั้งเมื่อลงอุโบสถเสร็จบางทีก็จีบ ป, ประเด็นนั้นขึ้นมาบางทีก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาในพวินัย2องยยี่ข้อนั้นเพื่อให้พวกพระได้ฟังเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาหลวงพ่อเองได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากครูบาอาจารย์หรือได้ประสบปการณ์มา หรือได้ศึกษาและปฏิบัติมีข้อสงสัยอย่างไรในก่อนหน้านี้แต่เมื่อเข้าใจแล้วหลวงพ่อก็ได้มาแนะนำให้แก่พระรุ่นน้องๆเพื่อเป็นให้ได้ฟังได้ศึกษาเพราะตัวเองสงสัยมาแต่เมื่อตัวเองหายสงสัยจุดไหนก็จะบอกกล่าวให้พวกผูกด้ดดเข้ามาอยู่ใกล้เข้ามาศึกษา ได้ยินได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือทุกวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่าจ้ะก็พวกเราก็ได้ทําวัดสวดมนต์อย่างวันนี้แหละไม่เคยขาดพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งพวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมไหวพระสวดมนต์มากวันนี้เพราะว่าเป็นวันปีใหม่ด้วยวันพระด้วย แต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนำแต่เมื่อเช้าหลวงพ่อได้พูดถึงคุณบิดามันดาแต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนำพระคุณของครูบาอาจารย์พระคุณของครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้พาประพฤติปฏิบัติพวกเราก็งงเหมือนกันนะ เราจะจับตำราขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่มีผู้พานำไม่มีผู้นำปฏิบัติฏิบัติพวกเราก็เดินผิดเดินถูกเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางพวกเราก็จะได้เดินถูกต้องเพราะนั้นพระคุณของครูบาอาจารย์หรือพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ เข้ามาฟังและเข้ามาศึกษานี่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างยุคนี้สมัยนี้แต่ก่อนหน้านี้บ้านเมืองก็ละสํารสายตามประวัติศาสตร์นะแต่พอเราจับประเด็นได้ก็คือสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านท่านก็คงจะมีครูบาอาจารย์ก่อนหน้านั้นเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้ชัดไม่ได้บอกชัดเจน ว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามานั้นท่านศึกษาอย่างไงที่ไหนเราก็ได้ยินแบบเรื่อนรางเพราะไม่มีตำรับตาําราไม่มีตัวหนังสือเขียนไว้แต่พอมาถึงหลวงปู่มั่นเนี่ยครูบาอาจารย์ได้รับการศึกษาทางเมืองหลวงอย่างหลวงตามหาบัวเป็นต้นจากนั้นก็มีมาหาหลายๆองค์ ที่เขามาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านก็ได้เขียนแนวทางและแนวความคิดที่หลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนอย่างไรเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านเน้นหนักจุดไหนอย่างไรอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ได้เขียนต่างคนก็ต่างเขียนต่างคนก็ต่างขยายผลตามความเข้าใจของของแต่ละท่านแต่ถึงยังไงถ้ามารวมเข้าไปแล้วก็คือจุดเดียวกันแต่ว่าแนวความคิดนั้นก็คงจะแตก ขแขนงออกไปบ้างเพราะนาณาจิตตังนานาทัศนะนานาความเห็นแต่ว่าจุดหมายปลายทางของหลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนนั้นท่านสั่งสั่งสอนอย่างไรนี่แหละต่างคนก็อย่างต่างยึดแนวแถวของครูบาอาจารย์จากนั้นก็แต่ละครูบาอาจารย์ผมมาแนะนาขยายผลให้แก่ศิษยานุศิษฐ์ที่เข้ามาศึกษาหรือไปอยู่กับท่านจากนั้นท่านก็เด่นแนะนา กิจวัตรข้อวัดต่างๆที่หลวงปู่มั่นเคยนำประพฤติปฏิบัติอย่างไรหรือว่าครูบาอาจารย์ได้นำประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านก็แนะนำสั่งสอนพวกเราก็จะได้ยึดแนวแถวนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติถ่ายทอดกันออกมาการล้วนแล้วจะเป็นหลักธรรมวินยัยอยู่ในกรอบแต่ตามไม่จริงกฎระเบียบหรือว่าแนวทางปฏิบัตินั้น ยังไม่จัดว่าเป็นพระวินยัยใครเข้าเป็นกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันควรจะทำตนอย่างไรควรปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบอย่างไรอย่างปัดกวาดเวลาบ่ายสามโมงอย่างนี้เวลานั้นถ่องทาอย่างนั้นเวลานี้ทาอย่างนี้อันนี้ก็คือกฎระเบียบภายในวัดแต่ละวัดสุดแท้แต่วัดไหนท่านจะตั้งฎกฎกติกาขึ้นมา แต่สำหรับพวินยัยศีลสองิบเจ็ข้อนั้นอันนั้นคือพวินยัยเราทํำรั้วล่วงละเมิดไม่ได้แต่ว่ากฎระเบียบนี้เราก็อยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบในการอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบการอยู่ด้วยกันก็ลัดสัมละสายเหมือนกันต่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดเผยเผยก็ไปทะเลาะวิวาทกันขึ้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆองค์หนึ่งทําองค์หนึ่งไม่ทํา ผลรี่ถูกกัเลยต่างคนต่างไม่ทำแล้วกิจจะวัดคอวัดเรื่องภายในวัดจะเป็นอย่างไรนี่อันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎระเบียบเราก็ยึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้พาประพฤติปฏิบัติมาแล้วพวกเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติสืบทอดการล้วนแล้วแต่เป็นหลักเหตุผลสวยงามจเจริญตาจเจริญใจ แกพแต่แกพูดได้พบเห็นนะอันนี้เนี่ยคือกฎกระเบียบที่พ่ะแม่ครูบาอาจารย์พานำมาตั้งแต่ยุคนี้แต่ยุคก่อนๆยุก่อนๆที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในพระไตรปิฎกอันนั้นท่านก็พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่แต่ก็ไม่ชัดเจนแต่ก็เป็นแนวทางสำหรับโดยมากจะเป็นพระวิ น, นัยซะมากกว่า เพราะการอยู่ด้วยการท่านบัญญัติเป็นศีลและวินัยไปแต่มาถึงยุคของเราเนี่ยครูบาอาจารย์พานำประพฤติปฏิบัติเราจะยึดลักษณะกฎรละเบียบเสียมากกว่าแต่พวกเราก็ได้เดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์พาดาเนินแต่ทางด้านจิตใจครูบาอาจารย์แต่ละสายแต่ละกลุ่ม การประพฤติปฏิบัติก็แปลกแตกต่างกันอีกเหมือนกันถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในยุคสมัยนี้นะยุคสมัยเจริญเนี่ยสื่อต่างๆข่าวต่างๆหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านได้ผลอย่างไรท่านก็ได้นําผลแห่งการปฏิบัติของท่านออกมาบอกกล่าวออกมาตีพิมพ์เป็นหนังสือและเป็น MP3 อย่างนี้พวกเราคอ ได้ฟังได้ศึกษาทําว่าพวกเราไม่รู้จักแยกแยะพวกเราไม่รู้จักแยกแยะเราจะยึดองค์หนึ่งแล้วก็ไปตีอีกองค์หนึ่งยึดองค์หนึ่งเขาไปปาหมาดอีกองค์หนึ่งองค์นี้ผิดองค์นี้ถูกถ้าองค์ไหนชอบใจเราเราเข้าใจในธรรมเทศนาของท่านเราก็องค์นี้หละดีที่สุดนะเราก็ปาหมาดองค์อื่นโดยมากคนคืนนั้นคือคนที่ผู้ไม่รู้ ผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ได้ศึกษาให้ท่วนทีแต่ถ้าว่าผู้รักศึกษาท่วนทีแล้วทีท่วนแล้วเราจะยึดได้ว่าในการประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเนี่ยโดยมากจะแนะนําในสติปัฏฐานสกายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักถ้าเราได้ศึกษาให้ท่วนทีแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาครูบาอาจารย์ท่านแนะนําอย่างไร เราก็ฟังอย่างนั้นนี่แหละถูกต้องฮะอย่างเพ่งดวงแก้วอย่างนี้หรือยุบนอพองนออย่างนี้หรือทำกายยกแขนขึ้นแขนลงอย่างนี้หรือกำหนดจิตอย่างนี้เมื่อเราฟังมันก็เป็นแนวแถวแต่ละองค์แต่ละท่านทีแน่แน ว, แนวถูกไหม แต่ถ้าว่าท่านผู้เรียนรู้ได้ศึกษาทีท่วนท่านก็บกว่าถูกถูกทุกองไม่ผิดแต่มันถูกคนคนละระดับถูกคนละระดับถ้ายุบนาพองนาะก้าวนาเดินหนอถูกไหมถูกอันนี้เป็นวิปัสสนาไหมยังไม่ใช่อันนี้ยังเป็นสมมารถถายังเป็นสมมารถถาอยู่คล้ายๆว่า เรายังฝึกสติอยู่ยังไม่ใช่วิปัชนาแต่ว่าถ้าเมื่อเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละคือวิปััสนาแต่นี้ถ้าว่าเรายังกำหนดเพียงแค่นั้นยังเป็นสมถะอยูอันนี้ก็เหมือนหลายหลายอย่างนด้รักษาอย่างนั้นตอนนี้อย่างหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนคณสิทธิานุสิตของท่านหลวงปู่ท่านสอนอย่างไร เนี่ยพอแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านสอนอย่างไรท่านอันดับแรกท่านก็บอกให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกหรือให้อยู่ในกรรมฐานสี่สิที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันใดอันหนึ่งก็ได้หรือ เราถูกกับจดิตอันไหนในการภาวนาของเราที่ได้เราจับขึ้นมาแล้วเราภาวนาเราเพ่งหรือเรากําหนดใจของเราเข้าสู่ความสงบได้อันนั้นก็เป็นกรรมฐานเฉพาะตัวเฉพาะของเราเองแต่ท่านแนแนว เ, เป็นภาพรวมออกมากว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้ามา ป, ปฏิบัติให้กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธ หายใจออกบริกรรมว่าโทถ้าหากว่าพวกเราเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู Krishna ้ว่าหายใจออกอย่างที claro ่พระพุทธเจ้าไปภาวนาอยู่ที่โครนต้นโพนั่นน่ะพระพุทธเจ้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก หายใจออกยาวหายใจออกสั้นรู้ในลมหายใจเขาออกนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดกรรมฐานอะไรสำทับเขาอีกแต่หลวงปู่มั่นท่านมาแนะนำสั่งสอนลูกศิษย์ท่านบอกว่าถ้าเรากำหนดเพียงแต่ลมเข้าออกเฉยเฉยมันสั้นเกินไปมันมีช่องว่างที่จะทำให้จิตของเราลุด ออกไปหรือความรู้ของเราความรู้สึกของเราสติของเราอาจจะหลุดออกไปในช่วงนั้นจึงให้บริกรรมพดโธด้วยหายใจเข้าพดหายใจออกโธอันนี้คือครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านแนะนำจากนั้นก็ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาทุกองค์ถ้าจะพูดอย่างนั้นเลยก็ได้ ท่านก็ยึดตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นสอนอันนี้คือเป็นเบื้องต้นเจ้าก่อนแต่ถ้าเราแย้งขึ้นมาว่าอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมพูดอย่างนั้นก็ว่าใช่แต่ถ้าว่าองค์อื่นทํามันแล้วไม่ไผลเอา้าทําไม่ได้ผลทํำยังไงถ้าทําให้มันได้ผลจิตของเราไปเกิดผลอย่างไรใกล้เคียงกันไหมเทียบเคียงกันได้ไหม ในสติปัฏฐานสีนี้แต่ถ้าเราตอบได้นะก็ไม่ผิดกันก็ไปในแนวแถวเดียวกันเพราะว่าหลวงปู่มั่นหรือปูบายจาย์ท่านสอนท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าว่าเราภาวนาให้มันถี่ยิบสรุปแล้วก็คือให้ใจเราพูด ใจของพวกเรานึกคิดในขณะไหนให้เอาสติของเราน่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มีช่องว่างเลยในขณะที่อยู่ในใจของเราแต่เราไม่ต้องพูดออกปากเอาใจของเราพูดพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้เราจะเห็นได้แต่ถ้าหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็แนะนำอีกแนวหนึ่งอีกเหมือนกัน หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคยปฏิบัติมาเนี่ยถ้าในช่วงไหนถ้าเราภาวนาถ้ามันออกเราจะได้รู้มันออกช่วงไหนมันออกขณะไหนมันออกวิธีมันออกมันออกอย่างไรจิตใจที่มันเผลอมันหลดออกไปนะมันหลุดออกไปด้วยวิธีอย่างไรและก่อนที่มันจะออกมันเป็นอาการอย่างไรอันนี้หลวงพ่อบอกว่าเราจะรู้ให้เรากพวกเรานับดูสิ ให้ทดลองนับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อยถ้าเราไม่เผลอแสดงวสติของเราดีดีหนึ่งนาทกีกว่าเพราะเรานับถึงร้อยแต่เราจะไปเกรงอย่าร้อยจะไปเพ่งมากเกินไปถ้าเราไปเพ่งมากไม่ได้นะเพ่งลมปวดชีษะทําให้ตัวเองปวดชีษะมันคล้ายๆว่าวมันมืดมันมึนหัว ปวดเนือศีษะมันเพ่งมากเกินไปคำว่ากำหนดลมเนี่ยเราให้มีสติสัมปชัญญะให้แบบอยู่แบบสบายๆเราไม่ต้องเพ่งเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพียงแต่ให้มีสติแบบธรรมดาธรรมดาแบบสบายๆเหมือนกับเรารู้ว่าลมหายใจเข้าออกมันเดินอยู่แล้วตามปกติมีแต่คนตายเท่านั้นไม่มีลบ ถ้าคนยังมีชีวิตยอยู่ต้องมีลมอันนี้เราให้เห็นลมตอนนั้นเองให้เห็นลมตัวเองในขณะที่มันเข้าออกให้มีสติสัมปชัญญะแต่บางคนก็บอกเอ้ผมกําหนดยังไงก็มไม่เห็นอะ่ะถ้าไม่เห็นก็ทดลองหายใจแรงๆหน่อยซิหลวงพ่อก็แนะนําหายใจแรงๆหายใจเข้าแล้วก็ออกมาแรงๆแล้วสืบหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยออกมาแรงๆอยงเราก็จะรู้ได้ว่า มันเข้าตรงไหนมันออกตรงไหนหายใจจากนั้นก็พยายามผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนพ่อ น, อ น, อ น, อนลงไปจนเป็นปกตินะในเมื่อเป็นปกติแล้วทีนี้เรานับดูที่ไหหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับไปถึงร้อยไม่เผลอสแสดงว่าสติของเราถ้าจะถ้าจะชมตัวเองก็เออใช่ได้นะเพราะมันไม่เผลอแต่้วยมากมันเผลอสีถ้ามันเผลอบ่อยนะ สมมติเรานับถึงร้อยเนี่ยมันเผลอไม่รู้ว่ากี่ครั้งเนี่ยแสดงว่าให้เราคิดไปเลยเออเราไม่น่าไว้ใจเรานะวะถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเผลอเผลอมากกว่านี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ส่งเข้าโรงพยาบาลแน่ๆแหละแปลว่าจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันเผลอมากเกินไปแหละมันปุงฟุ้งมากเกินไปเลยนี่ยมันฟุ้งมันออกยังไงเนี่ยเวลามันจะออกไปเนี่ยมันจะเบอเบอเบอมันนับผิดได้ถึเนี่ยสมมติว่า หายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขคี่ใช่ไหมนะหายใจออกนับสองเป็นเลขคู่ น, ะนี่แหละและเวลามันจะออกเนี่ยมันยังไม่ถึงสิบมันออกไปแล้วหายใจเข้าน่แปดหายใจเอาออกเป็นเก้าอย่างนี้มันผิดแลลวเนะี่ยเรือนับไปอีกยังไม่ถึงยี่สิบมันก็ออกไปอีกแล้วเบอร์เบอร์ไปอีกแล้วนะแปลว่าเราขาดสติบ่อยเพราะนั้นให้พวกเราสังเกต ในการตั้งสติจุดนี้นะในเมื่อเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะเดินยังไงต่อไปอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็นแนะนำสั่งสอนนี่ว่าเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบพอสมควรจิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตอยู่กับตัวจิตสงบแต่ถ้าจิตไม่สงบละ่ะเรากำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาเดินวิปัสสนาเลยได้ไหม ก็ได้แต่ว่าโดยมากจะเป็นสัญญากระสังขารมากกว่าสัญญากระสังขารเนี่ยเดินตามหลังเป็นพรวนเลยว่าไงัถนะสัญญาคือคือความจําได้หมายรู้สังขารคือคือความปรุงแต่งมันคิดอยากจะให้เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจของเรามันไม่อยู่กับร่องกระรอยจิตใจของเราไม่อยู่ในกรอบใจของเราไปยังไม่ได้ฝึกสมาธิให้เป็นสมาธิก่อนมันไม่อยู่กับร่องรอย มันคิดยังไงเมื่อก่อไปอย่างนั้นผลที่สุดเออหนอเอ่อหนอเออหน อ, เ, อ, อ, นอเห็นอะไรก็เอ่อหนออันใ น, นจังกับใจเ อ, อ่อหนอเกิดแก่เจ็บตายก็เออหนอเห็นอะไรก็เออหนอผลที่สุดไม่มีที่อันไหนที่จะตัดรู้สึกในความรู้สึกเด็ดขาดหรือตัดขาดออกไปได้มีแต่ว่ารับรู้รับทราบไปเท่านั้นเองอันนี้เพราะว่าสังขารปรุงแต่งไปหรือว่าสัญญาความจําได้หมายรู้ เราเคยรู้เคยเห็นมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้มันไม่ชัดเจดีมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นสังขารกับสัญญานำหน้าเพราะนั้นเราต้องฝึกสติแี่ในในการฝึกสติของเราเนี่ยกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตของเรานิ่งสงบเมื่อจิตใจของเราสงบ ใจิตใจของเราอยู่สติของเราควบคมุมควบคมุมจิตอยู่จะให้คิดเรื่องอะไรจะให้หยุดหรือจะจะให้คิดจะจะให้คิดเรื่องอะไรสติควบคุมอยู่ตลอดทันสติทันสติทันจิตสติทันใจใจมันก็ไม่ปรุงไม่ฟุ้งทีนี้เพราะใจมันได้ฝึกเรื่องสมาธิดีแล้ว ในเมื่อจิตใจไม่ปุ่งไม่ฟุง้งจิตใจมีสติควบคุมเราก็นำจิตหรือวิจัยของเรานะี่ยมาพิจารณาทางวิปัสสนาทีนี้กหนดเดินทางวิปัสสนาแต่ทุกครั้งเราจะให้จิตสงบอย่างนั้นก่อนใช่ไหมตามไม่จริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราจะพิจารณา เ, เลยก็ได้แต่ถ้าเราพูดจางนี้ทั้งนั้นอาจจะสับสนทีนี้ ทำไมบอกว่าเบื้องแรกว่าให้สงบสัก่อนแต่บางเพรากลับมาทําไมไม่สงบก็ได้ทําไมสมมุติว่าสมมุติว่าเรานั่งรถไปตามถนนไปเห็นสัตว์ที่รถทับมันตายอย่างหมาไก่อย่างเนี้ยที่มันตายข้างถนนเราเห็นแล้วเราก็เออร่างกายสังขารของเขาเนี่ยถ้าว่าเราหรือมนุษย์ ผู้ใดก็ตามเราก็ตามถ้าหากว่าเกิดจึกสงรามหรือว่าเกิดโรคระบาดมากต่อมากไม่มีใครเอาใครร่างกายของเรากคงจะทิ้งอยู่ในถนนอย่างนี้แหละมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายของเราเนี่ย่างกะดูสิร่างกายของหมาของสัตว์ที่มันตายอยู่ในถนนถ้ามาเปรียบเทียบของเราก็ไม่แพ้กันลักษณะอย่างนี้ ถ้าว่าเราได้ดูอย่างนั้นแล้วใจของเราสงบติ้งใจของเราเป็นหนึ่งใจของเราเข้าใจใจของเราเกิดปัญญาลึกซึ้งในการเห็นซากศพนั้นอันนี้ก็จัดว่าเป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าเราพิจารณาไปแล้วเออเนอเออเนอเออเนอจบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นก็งายหลังนอนหลับไปอย่างนี้อันนั้น นั่งภาวนานานเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนในเมื่อจิตของเราสงบเป็นพื้นฐานอย่างที่ว่าเนี่ยคณิกะอุปจาระนีแต่ไม่ถึงกับอัปปนานะถ้าว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตใจของเรารวมลงเป็นหนึ่งรวมนิ่งลงเป็นหนึ่งไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งหมด แต่รู้แต่ว่าติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียงฟ้าร้องเสียงคนพูดเสียงรถเสียงราเสียงอะไรก็ตามจะไม่ได้ยินอันนี้เพราะว่าจิตรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิแต่พอถอนขึ้นมาเราจึงได้ยินเสียงต่างๆอันนี้แปลว่าจิตรวมคำว่าสมาธิเนี่ยไม่เกินกว่านั้น อันนี้คือสมาธิที่สูงสุดในเรื่องของสมาธิคืออปปนาสมาธิพออันดับแรกถ้าจะเรียงตามลำดับนะเรานั่งภาวนาเนี่ยพอจิตของเราเราไม่ก็เราไม่ปรุงไม่พุ้งไปทางอื่นเราพยายามดูลมหายใจเข้าออกบังคับจะพูดอย่างนั้นก็นไหนเขาบอกบังคับเลยแหละไม่ใช่ว่าธรรมดานะการภาวนาเนี่ยเหมือนกับเราบังคับเด็กให้เรียนหนังสืออย่างนั้นะ แต่เราจะโอ้นอให้เด็กเรียนนะบางทีมันก็ขี้เกียจเรียนมันก็ไม่ไม่อยากจะเรียนเพราะยังไม่เห็นคุณค่าในเมื่อไม่เห็นคุณค่าเราก็ต้องเราใช้ปัญญาเราได้ยินได้ฟังเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วเนะี่ยการฝึกสมาธินี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นนะนะอย่างเนี้ยเราก็เออถึงเราจะไม่อยากทำํำเราก็ต้องบังคับบังคับตัวเองในเมื่อบังคับจิต บังคับความรู้สึกของเราพยายามนั่งบางทีเราไม่อยากจะนั่งบังคับให้นั่งพอนั่งเสร็จแล้วจะนี่หลายครั้งต่อหลายโหนเข้ามาใจของเราจะเข้าสู่ความสงบไม่มากก็ตตองน้อยและถ้าผู้ปฏิบัติแล้วนะใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเพียงแวบเดียวนะเพียงสวบเดียวจิตใจเหมือนจะเคลิม้มเคลิม้มหรือเหมือนจะหลับลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ว่ามันไม่ใช่หลับแต่มันไม่ใช่เคลิม้ม แต่จิตมันอยู่อยู่ขณะหนึ่งจิตมันรวมขณะหนึ่งเพียงแต่ว่าเพียงแต่นั้นแะเราก็รู้สึกในความรู้สึกนั้นมันแปกแตกต่างกว่าจิตใจของเราที่ผ่านผ่านมาทาไมจิตของเราจึงได้รับความล่มเย็นมันเป็นฉุกมากเพียงแต่นอยเดียวท่านเองขนาดเพียงแค่นั้นเราก็ยังจำไม่ลืมเมือนกันแเพียงแค่นกะสมาธิ เราจำไม่ลืมที่ว่าจิตสงบเพียงแค่นั้นจากนั้นมาเราก็พยายามบังคับดูจิตใจของเราเรื่อยๆต่อมาใจของเราก็ไม่ปรุงไม่ฟุง้งสติกับจิตควบคุมกันอยู่เราก็มีความสุขเพราะจิตใจของเราไม่ไปรับอารมณ์เรื่องต่างๆเข้ามาเผาจิตใจของเราใจของเราควบคุมออถ้าสิ่งไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์มันก็สลัดทิ้งสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ ก็นำมาคิดมาพิจารณาด้วยเหตุผลจากนั้นก็ปล่อยวางจากนั้นก็กำหนดดูใจของตนเองเราจะให้พิจารณาเรื่องอะไร น, นี่เรียกว่าจิตใจอยู่หรือจิตใจเป็นอุปจารสมาธิจิตใจอุอปจารสมาธินี่แหละพร้อมที่จะพิจารณาทางวิปัสสนาแต่ถ้าว่าเราจังกำหนดดูใจของเราอีกกำหนดดูจิตดูใจของเราอีกใจมันจะรวมลงไปอีกในระดับหนึ่งท่าน ถ้าลงไประดับนั้นแหละพ่ะเป็นอัปปนาสมาธิอันนั้นเราจะนำมาพิจารณาอะไรไม่ได้เป็นจิตที่พักผ่อนเป็นจิตที่สงบลึกแน่นมากแจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นแน่วอยู่นั้น่ะแต่เราเชื่อมั่นว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจิตประเภทนั้นไม่ต้องถามใครเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า ในตัววิญญาณตายใจดวงนี้หละมันจะนำไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ชัดเจนเลยร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดในขณะที่จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบในระดับนั้นและก็มีความสุขอีกต่างหากที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็จะพอเราพอได้ริมรถแห่งความสงบ ในขณะที่เรานั่งสมาธิจิตของเราเข้าสู่ความสงบในจุดนั้นนะแต่บางท่านบางคนสงบไม่นานห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างบางทีไม่ไม่ถึงก็มีจิตแจมก็ถอนขึ้นมามาก็อยู่ในอุปจาระสมาธิในเมื่ออยู่ในอุปจาระสมาธิแล้วนำเราจะนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาทีน นี่แควรแก่การพิจารณาทางวิปัสสนาควรจะออกพิจารณาแหละทีนี้แต่บางคนบางท่านนึกว่าติดสมาธินี่ก็พอจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็ไม่อยากจะพิจารณาอยากจะสงบอยู่อย่างนั้นแนละ้มันสบายเหมือนกับพวกเราทานอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปพักผ่อนในห้องแอร์ักษาอย่างนั้นแนะ่ะใจของเราก็สบายแต่ถ้าว่า เราบังคับออกให้พิจารณาเนี่ยเหมือนกับเราบังคับไปทำงานบังคับตัวเองออกไปทำงานคนที่ไปทำงานมันก็ต้องทุกข์พรอยใดพ่ะตากแดดตากฝนสู้กับการกับงานสู้กับคู่กับคนสู้กับเรื่องราวต่างๆมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่เหนื่อยการพิจารณาแต่ว่าออกไปอย่างงั้นได้ผลไหมถ้าผลออกมาแล้วก็ ทางวิปัสนาเป็นผลที่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างมากเหมือนกับเราเป็นนอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องพักผ่อนเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่พักผ่อนเฉยๆแต่พอเราไปทางานผลของงานออกมาเนี่ยเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างมากถึงพระรั้น์ท่านจึงให้พิจารณาทางวิปัสนาออกไปคิดไปพิจารณานำมาพิจารณาจะพิจารณาอะไร โดยมากท่านจะให้พิจารณาร่างกายพระพุทธเจ้าท่านก็สอนกรรมฐานห้าให้แก่พระจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับท่านก็แนะนําให้พิจารณาร่างกายร่างกายของเราเกษาผมโลมาข น, นขาเล็ดทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาร่างกายของเราแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปผมขนเล็บฟันหนัง จัดออกซเอาไว้เป็นกองกองดูซิกระดูกเอาไว้เป็นกองซิตับลำไส้ปอดหัวใจเอาไว้เป็นกองกองดูซิอันไหนเป็นของเราปอดเป็นของเราใช่ไหมตับเป็นของเราใช่ไหมตาไม่จริงมันก็เป็นของเรานั่นแหละแต่ถ้าว่ามันแยกออกไปแล้วนี่มันถึงจะว่าของเรามันก็ไม่สนิทเหมือนใจเหมือนกันมันไม่สนิทใจแต่ตาไม่จริงเรามีไหมอย่างนั้นมีในตัวของเรา ได้รัพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงวิปัจฉนาคือวิปัจฉนึกเรานึกคิดซะก่อนเมื่อนึกคิดซะก่อนให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนเป็นที่ยอมรับทางด้านจิตใจลึกๆเออร่างกายของเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะ่ะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องแก่แล้วก็ เจ็บแล้วก็ตายจะต้องตายในที่สุดเราเนี่จะต้องได้ทิ้งนะร่างกายของเรานี่นะร่างกายไม่ใช่เรานะเป็นอนนจังนะของไม่เที่ยงนะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกนะสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะเอง mistake, สักวันหนึ่งจะต้องทิ้งนะอย่างเนี้ยถ้าใจของเรามาพิจารณาเห็นร่างกายเห็นตามความเป็นจริง เห็นตามคนเป็นจริงไม่ยึดมัน่นถือมันเพราะร่างกายมันจะต้องแตกสลายอยู่แล้วจะไปยึดมันได้อย่างไรร่างกายอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแต่เมื่อเรายังอยู่มันยังอยู่ด้วยกันได้เราก็ดูไปดูแลไปปนนิบัติไปแต่ถึงยังไงก็เถอะถึงจะปนดูแลปนนิบัตรดิบดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ไม่คุ้นไม่เชื่องกับเรานะ ถึงข้าวแก่มันก็แก่ไปเรื่อยๆถึงเข้าเจ็บมก็ เ, เจ็บถึงขาา้ขาวตายก็ตายเราบอกไม่ได้เ อ, อ้ยอย่าแก่นะเว้ยอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันบอกไม่ได้เลยร่างกายเนี่ยเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงเนาะอย่าไปให้ความสําคัญในร่างกายตนเองมากนะถ้าหาวัาหลงร่างกายตัวเองให้ความสาคัญในร่างกายของเรามากจนเกินไปเราจะหลงออกไปข้างนอกด้วยทีนะี้หลงทุกสิ่งทุกอย่าง หลงคู่หลงคนหลงลูกหลงล้านหลงสามีภรรยาหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงโลกไปหมดวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็เป็นทองตัวตนของเราทั้งหมดเพราะมันหลงกายถ้ามันไม่หลงกายแล้วจะไม่หลงอย่างอื่นอย่างอื่นเราก็รู้ว่านั้นคือปัจจัยอาศัยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขนาดร่างกายของเราแท้ ยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่ามาเป็นของเราได้อย่างไรนะใจนนะอันนี้คือสอนใจตัวเองจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจได้เี่ใจของเราน่ยไปหลงในธาตุสีดินน้ําลมไฟมันก็ไม่ได้ว่าใจร่างกายมันจะว่าข้าเนี่ยเป็นลูกน้องของใจนะั่นมันก็ไม่ได้ว่ามีแต่ใจของเราตัวรู้ตัวนึกคิดเนะี่ยไป กว่านก็มาว่านั่นแหละเป็นของข้านั่นกัเป็นของข้าใจร่างกายเป็นของข้าสิ่งนั้นเป็นของข้าแต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ไในว่าเป็นของข้าแต่ใจของเราไปให้ความสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของข้าพระเจ้าใจก็หลงถึงพอใจหลงตัวเองนั่นนั่นแหละไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราใจของเราก็เป็นทุกข์ทันวานนะนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้นะเดินวิปัสสนา จากนั้นกําหนดดูใจของเราเพราะดูใจของเราใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างไรใจจะเป็นยึดได้ยังไงเพราะจริงเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็ปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น ใจของเรากรหลุดพ้นจากอาสวัคกิเลสกิเลสก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในจิตจู่จิตสู่ใจของเราได้ใชนีหเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงกับมันแล้วปล่อยวางมาแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลสตัวไหนก็เข้ามาสู่ใจของเราไม่ได้แล้วเพราะเหตุไรเพราะเรารู้แล้วยึดไปก็เท่านั้นก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรนั่นแหละทำคาสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 ี่พันพระธรรมมขันเนี่ยจุดมุ่งหมายแล้วจุดมุ่งมั่นจุดสูงสุดก็คือชำระใจให้บริสุทธิ์ให้ถึงพระนิพพานจุดนี้เท่านั้นแหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนมามากต่อมากหลายแนวทางแต่ผลที่สุดลงมาจุดนี้นะให้เห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่มาเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารเข้าถึงพรนิพพานนั่นแหละคือจบเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องถกเถียงกันเรื่องธรรมะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นคือนานาจิตตังนานาทัตนะอันนั้นให้ความคิดเห็นกันได้ถ้าว่าผู้ศึกษาเข้ามาแล้วจะต้องศึกษาเข้ามาจุดนี้มาถึงกายกับใจท่งนี้แ่ะสรุปแล้วก็คือใจไปหลงกาย ว่ายึดร่างกายเนี่ยเป็นของเราพอยุดิเรื่องกายเป็นของเรามันก็เลยยึดสิ่งภายนอกไปมากมายเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเต็มไปหมดเลยทั้งลาบยศดชนะเสริญสุขมันยึดไปหมดแต่ถ้ามารู้ดูที่ใจแล้วปล่อยวางที่ใจแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ใจแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมทั้งนั้นถ้าเป็นส่วนลึกแล้วนะอันนี้คือธรรมะที่ หลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนํำถังสอนให้พวกเราพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละอันนี้คือเป็นธรรมะขั้นสูงสุดหรว่ขั้นหลักของพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำหลังจากนั้นก็เนี่ยปล่อยวางเลยกันิพพานังประมังสุ ข, ขังเะยกนีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีอะไรที่เข้ามา รบ ก, กวนจิตใจของท่านได้เป็นธรรมาธาตุเป็นอมตะธรรมเป็นอมตะคือสิ่งที่ไม่ตายเป็นอมตะธรรมเป็นอตมนอตะธาตุเป็นธรรมอันบริสุทธิ์อันหนึ่งขึ้นมาอยู่ในจิตใจของท่านแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกเราทั้งหลายมาเกิดในวัฏฏะสงสารมาเวียนว่ายตายเกิดมันก็ต้องได้เจออย่างนี้แหละสุขสุทุกทุก เสียเสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้จากนั้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดมาอีกเกิดมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้อีกเราถามดูสิว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรอะไรคือสาระของชีวิตอะไรคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยเราค้นหาเลยสิค้นไปเท่าไหร่มันก็ไม่เจอถ้าค้นมาหาจุดนี้เราจะเจอ มาเจอตรงที่ว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานังปรามังสุญญ์ยังสุญแล้วทําไมจึงสุขศูนญ์เชื้อเชื้อที่จะทําให้เวียนว่ายตายเกิดนั้นนะหมดแล้วทําให้ศูนญ์ไปแล้วมีแต่ความสุขเพราะมันไม่มีเชื้อที่จะพาไปเกิดอีกแล้วเหมือนกับเมล็ดข้าวที่มันตัวไหนพาให้เกิดเราก็ตอกทุบเปลือกมันออกซะขัดให้เป็นข้าวสารซะ เอามันนึ่งซะแล้วจะไปเกิดมันไปเกิดได้ยังไงมันก็ไม่ศูนย์มันก็เป็นข้าวสารแต่ว่าศูนย์นั่คือศูนย์พันศูนย์เชื้อของมันที่จะนำให้ไปเกิดไปปลูกให้เกิดเป็นรวงขยายพันธุ์ไปอีกไม่มีแล้วจบนี่ว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นในความบริสุ์ของจิตดวงนั้นนะะนั้นขอให้พวกเรา ทุกๆ ท, ท่านนะในการประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราอย่าสับสนอย่างที่บ้านนั้นนะพวกเราได้ยินมาจากสำนักใรก็ให้พวกเราคิดจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนานั้นคือตรงไหนอย่างไรคืออะไรที่จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านสอนพระัญญาโกณธัญญาเนะี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับพระอัญญาโกรัญญาก็ได้เห็นอันนี้จังไม่ใช่เหรอก่อนที่ท่านจะได้สาเร็จพระโสดาบันจานะกนั้นท่านก็ไปสอนชดินสามพี่น้องอีกหูเป็นไฟตาเป็นไฟสิ่งที่สัมผัสเป็นไฟลาคกินาโทชกินาโมหกินาเป็นไฟคือใคเห็นท่านให้เห็นเป็นอันนี้จังทุกขัง ในสิ่งแล้วทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธตรงนั้นอีกนะีโดยมากที่พวกเราได้ศึกษาที่พระพุทธเจ้าไปแนะนําสั่งสอนสาวกสาวิกาโดยมากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนี่แหละที่จะทําที่จะตัดกิเลสนางปตัจาราก็เหมือนกันที่ท่านไปแบกน้ํามามากรมาเทน้ําล้างเท้าพอเทจอกลงไปน้ําก็ไหลไปในระดับหนึ่ง มันก็แห้งจึ่มลงถึงดินแล้วก็เทล้างอีกเท ร, รอบสองมันก็ไหลไปยาวไปหน่อยมันก็ลงถึงดินหายเงียบไปพอเทสามไปอีกมันก็ไหลา ย, ยาวอีกท่านมาเห็นอันิจังเออคนเนี่เกิดน้อยก็ตายได้กลางก็ตายได้พอในสุดเททั้งห ม, ม, มหดหมอบมันก็ไหลไปสุดจบเหมือนกันท่านก็เห็นอนจังท่านก็เกิดความเบื่อหายไม่ ยิดมั่นถือมั่นในตัวของท่านในใจของท่านท่านก็เป็นพระหรหันในขณะนั้นนางอุบลละวันนาท่านไปยืนดูแสงเทียนที่จุดบูชาที่หิ่งบูชาที่ร้านบูชาท่านก็เห็นเปลวของเทียนไขนะมันไหวมั น, นมเนนนี้วนะเปรเี้ยวเปรี้ยวเวเปรา้ยวเปรี้ยวเปรี้นวี้ยวเปรี้เรี้ยวเปรี้ยวเ้ยวเรเ มันโกกกระพริบอยู่อย่างเนี้ยมันไหวอยู่อย่างนี้มนยมันแกว่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวล่ำเวลามันเป็นอณิจังของไม่เทียงจากนั้นท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในใจของท่านอีกท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันถ้าเรามาพิจารณาสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าแล้วโดยมากจะเห็นอณิจังทุกขังอนัตตาและกเกิดความเบื่อหน่ายคลายท่านก็เป็นพระอริยะบุคคลเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาดูนะแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติ ถ้าพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติกิเลสในใจของเรากดเบาบางออกไปเป็นตะกากระบุงอีกเหมือนกันนะนะเพราะเหตุหอะไรเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นโกรธก็ไม่รู้จะโกรธไปทำไมโลภก็ไม่รู้จะโลภไปทำไมรักก็ไม่รู้จะรักไปทำไมอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็มาเกิดมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว ในเมื่อเราพิจารณาอันนั้นคือเป็นเรื่องของส่วนตัวนะแต่ถ้าเราออกไปพูดออกไปภายนอกคนที่ม่รู้จักธรรมะเราไปพูดลงไปอันนั้นไม่ดีทำให้ผูไ้ดได้ยินได้ฟังก็ไม่สบายใจคนที่พูดก็ไม่รู้จักกาละเทศะนะแต่ถ้าเราพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังถ้าหลวงพ่อไม่แนะนำไม่แนะแนวอย่างนี้พวกเราก็คงจะไม่รู้จักวิธีการคิดเหมือนกันจะคิดยังไง หลวงพ่อก็ได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากี่ยวกันท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้หลวงพ่อยอมรับอดใช่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนมาถูกต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะแนะนําพวกเราอีกว่านี่นะให้ปฏิบัติอย่างนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้นะให้กําหนดอย่างนี้นะหลวงพ่อคิดว่าที่บอกกล่าวไปนี่แล้หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแนะนําไม่ผิดก็แล้วกันนะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ตัวอนัตตาเนี่ยน่ะปฏิเสธนี่นะ่นนะถ้าจะพูดไปแล้วก็เหมือนกับนิวตอนนิวเคลียร์โรงั้นแต่ระเบิดโยนเข้าไประเบิดพบระเบิดชาติกิเลสราคะโทสะโมหะแต่กระจุยไปนี่น่ะทำตัวนี้แหละทำไตรลักษณ์นี่นห ะ, ะจะระเบิดพบชาติแต่กระจุยกระจายจนถึงอมตะธาตุาอมตะธรรมขึ้นมาได้ด้วยธรรมนี่แหละทำไตรลักษณ์่ง คนนั้นขอให้พวกเรากทุกท่านนะนํำทำที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์จากนั้นก็นํามาพิจารณาปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างน้อยก็เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าลุ่มหลกโลกมากจนเกินไปโลกใบนี้ก็เท่านั้นแหละถึงเราจะทําติดตีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดอย่างที่ว่านะเราเออกไปด้วยไม่ได้แบมือทั้งหมด พอโลกไปนี้มันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสนามเวียนไหวตายเกิดเท่านั้นเองพอมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ลุ่มหลงพอตายไปแล้วก็มาเกิดอีกเหมือนมดเดินขอบกระมังอย่างนั้นนะเดินอยู่ทั้งหวีทั้งวันตามไม่จริงว่าเป็นของใหม่แต่ที่แท้ๆมันเป็นของเก่านั่นเวียนไหวตายเกิดอยู่นีโลกนี้เป็นโลกวัฏวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะตัดนะตัดกำล้อกงเกวียน ไม่มาเวียนวหา้ตายเกิดตามหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาและท่านนำทร ม, มาสอนพวกเราเนี่ยนี่แหละมรรคแปดอริยสัจเนี่ยไตรลักษณติปฐานสีเนี่ยนี่แหละให้พวกเรานำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วพวกเราจะตัดกิเลสภายในจิตใจของพวกเราได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี้นะนั่งไปเรื่อยนะแต่อีกชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกหยุดออกจากสมาธิการนั่งสมาธิรวมอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังวิธีการนั่งสมาธิทําอย่างไรพวกเราทั้งหลายจะได้เรียนรู้จะได้สอนลูกสอนหลานต่อไปแล้วลูกหลานก็จะได้เป็นนําไปเป็นตัวอย่าง การนั่งสมาธิกันเหมือนนั่งอย่างพระประธานนะ่ะขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นให้ปนมมือซะก่อนนะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกก่อนไหว้ครูซะก่อนคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าการนั่งสมาธิอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราจึงรู้จากวิธีการนั่งสมาธิ เพราะนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิจริงไหว้พระพุทธเจ้าก่อนไหว้รครูก่อนเหมือนกนแหละบรมครูของพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นก็นกําหนดลมหายใจเข้าแล้วถหายใจเข้าจะบริกรรมมาหายใจเข้า ข้าพไปเจ้าจงเป็นสุขหาย ใ, ใจออกผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพไปเจ้าเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขชักช่วระยะหนึ่งแผ่เมตตาซะก่อนนะคือทําให้ใจของเราอ่อนโยนซะก่อนใจของเราไม่ผูกพยาบาทอาคาตกับดวงวิญญาณใครๆทั้งหมดในจั ก, กรวาลนั่นั้นถอะการผูกอาคาตพยาบาทก็เท่านั้นจะได้ประโยชน์อะไรต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็ต่างตายไปไม่เห็นจะได้อะไรเราจะไปผูกอาคาด ผูกอาฆาตพยาบาทจองเว้นให้โง่ทำไมเราแผ่เมตตาให้ทุกคนมีความสุขน่จะดีกว่าจนตนเป็สุขผู้อื่นจนจงเป็นสุขตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขจากนั้นจค่อยกำหนดลมหายใจเข้านะหายใจเขา้ารู้ว่าหายใจเขา้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโธนะเวเ้นเจตท่านเคยพิจารณาบางท่านก็ได้พิจารณาไดา้ปฏิบัติมานานเราจะกำหนด พิจารณาร่างกายของเราพิจารณากระดูกของเราในร่างกายของพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยมันมีโครงกระดูกอยู่ข้างในกําหนดดูซิโครงกระดูกของเราเป็นยังไงจากนั้นก็พิจารณาหเห็นตามความเป็นจริงจากนั่นก็พิจารณาเข้าไปถูกสู้จิตสูใจตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาา ม, มันมาหลงร่างกายทําไมหลงนี่แหละจุดนี้พวกเราให้พิจารณาเข้าไป ขยับเข้าไปเรื่อยๆจนถึงตัวนามธรรมตัวผู้รู้ตัวจิตตัวใจตรงนั้นนะนั่นแหละแปลว่าผู้ใดก็าตามภาวนาไปอย่างนี้แปลว่าถูกทางถูกจุดเพราะกิเลสมันไม่อยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ตัวนามธรรมตัวที่รู้รูัน่นตัวนั้นแหละมันอยู่ที่นั่นกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเราชำระได้ก็ชำระที่ใจของเรานั่นแหละนะตอนนี้ไปนั่งสมาธินาะทีเนี่ยนะ กำหนดภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำ